การทํางานให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยชีวิตแจ่มใสชีวิตมีกัญญาชีวิตมีหน้าที่การงานทำนั่นแหละคือกรรมาฐานที่ถูกต้องแล้วแต่การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายอย่างน้อยนะเพราะการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยเขาต้องการให้เรากําหนดติดโดยมีสติทุก อ, อริเบก เราอยู่ในอิบทายก็ต้องกาหนดตั้งสติคารวมเนท่ยคำวอนระว่างพอเรากระทั่งรับทานอาหารถ่ายอีกจาระปัรวะก็ต้องระวังคารวมตั้งสติตลอดเลการเรียกว่าความธรรมเป็นธรรมะทุกอย่างทุกอนิบทที่มีอยู่ในตัวบุคคลของนั้นแต่บางคนไม่ปฏิบัติ รู้ไม่ปฏิบัติไม่ทําก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดสําหรับผู้ปฏิบัตินั้นเขาให้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมแต่เราก็มาเดี๋ยวปฏิบัติในธรรมะเราปฏิบัติในธรรมะนั้นจะคือเจริญสติของเองให้มีสติอยู่ก็บจิตธรรมะถึงจะถึงกับจิตอยู่ในจิต ใ, ใ, ใ จ, จทำให้เรามีปัญญาได้ทำไมเราเกิดรับผิดชอบในหน้าที่การงานขึ้น เพราะไม่รัรู้ซึ่งกับไปถึงเหตุผลข้อเท็จจริงในชีวิตทางถูกต้องนั่นแหละชีวิตถูกต้องแล้วอยู่ด้วยความถูกต้องตัวตนมาก็ถูกต้องจะทําทอะไรก็ถูกต้องไม่จะผิดใจาการปฏิบัติธรรมถ้าเราทําได้ปฏิบัติโดยสืบต่อกันไปมันจะซึ่งขับไปซึ่งขับไปมันจะเจาะให้ดึกถ้าเข้าพัด เทาหลักที่ว่าเคยเาะเจาะให้ลึกเจาะให้มันถึงสติถ้าตุเจาะให้มันถึงจิจจิตเกาะให้มันถึงอัญญาซึ่งจะได้ถอนในงานทางศาสนาที่โทมุบาโสกบริการก็เป็นโุบาโสดปฏิการเพียงแต่ชื่อกแสดงตนโทมุบาโสดปฏิกายอมรับนับถือยึดมาปฏิบัติ เรียกว่ารับถินสมาทานตะกามาถามเป็นต้นแต่แล้วเราเปงักปฏิบัติก็ต้องทำตามที่เรารู้และทำกามที่ขอปฏิบัติทุกประการถึงจะได้ผลนี่ฉะนั้นทางจะม่ได้ผลเราจะรู้ว่าผู้สีใดมีธรรมะที่น่าจะทังรวมอยู่เสมอสั้งวอนอยู่เสมอ ละวังอยู่เสมอไม่พลาดไม่จะมาเมื่อกวผู้ปฏิบัติครับถ้าผู้ไล่ทำชีวิตหมดค่าหมดราคาแล้วตัวเราก็หมดราคาชีวิตก็ต่ำใจิตใจก็ต่ำร่านกาตามมนดับไม่จะพูดอะไรก็พูดไม่จะทำอะไรก็ทำทำน้ำผึ่ยน้ำจสดไม่มีข้ติยึเดเหนี่ยวทางจิต ขาดคำรวมชีวิตติดจ่าปางติดจ่าเขาติดจ่าจนไม่เป็นผู้คนที่มีสติปัญญาแต่ประการใดคนเราทั้งแตกต่างโดยมีสายปัจจัยออกมาอย่างถ้าคนมีธรรมแะแ ต, ต่จำเจตกําหนดอยู่ตลอดเวลาการเนี่ยพวกนั้นจะขยันรับผิดชอบในหน้าที่เสมอทําตามหน้าที่ของสนรับผิดชอบ ทงางตาก้อกำหนดทางหูก้กอกกงกำหนดจมูกต้อง ก, กำหนดลิ้นรับแ้วก็กำหนดสร้างสติไวยทุกอันยบบกจะยืนเดินนั่งนอนให้มันเข้ากันถึงจะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอันแท้จริงแต่เราปฏิบัติธรรมกันไม่มีชื่อที่แท้จริงถ้าเกิดผลแต่ตัวเองแต่ประการใด เราจะเห็นผู้ที่มีธรรมะประจําจิตประจําใจประจำครอบครัวบ้านนั่นจะคํารวมหมดจะคำวอนและระวังไม้จะมาทำอะไรก็ไม่พลาดไม่พลั้งทำอะไรก็มีสติยึดมา่นจะขยันไม่พักคนที่ไรธรรมะข่าวตืจะคิดเก็บในพักจะไม่อยากเอางานเอาการไม่อยากสรกเริ่มดำเนินงานอะไรออกมาชัดเจนมาก อันนี้ใครเฉียงก็อพระเจา้าไม่ดด้ที่กล่าวสอนอย่างนั้นคนที่คดในข้ององในกระดูกก็คนไรธรรมะคนไรศีลธรรมมันจึงคดในข้อมันจะงอในกระดูกมันปูกพันธุ์ไม่ได้คนเราเดี๋ยวนี้คดในข้อเยอะงอนในกระดูกมากเป็นทอมก็ยังดียังถายนาได้ แต่มันโคตรที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันหมดลดหมดทาหมดลดหมดทำหมดเชื่อหมดคาดหมดจะการความดีงนบคนลนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้คนที่ไล่ธรรมะขาดปีมันจะคดในข้อมันจะงออยู่ในกระดูกมันจะปูกพันแต่ความที่เขียนและผิดค้าดมันจะเกิดขึ้นทุกเวลาจะไม่อยากเอางานเอาการจะไม่อยากรับผิดชอบตัวเอง เราไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่จํากล่าวไปว่ายายมีไปสร้างความเดียรคคนอื่นครับมันจะรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้จนอยู่กับแค่ตัวเองก็รับผิดชอบไม่ได้แล้วก็หมายความว่าเราจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้แล้วจับพึ่งตัวเองก็ไม่ได้นะ้ะแนวตัวเองก็ไม่ได้อย่างนี้กับรูปแบบก็ไม่ได้นั่นคือมาเด็ดคำรวม การที่เราสร้างสติอยู่ที่จิตนะเป็นการสำรวมเป็นการสำวอนสำวอนเนี่ยกับพูดมานานแล้วต้องมีสาญญาังขัญยะรู้ตัวอยู่ไหมว่าขับไปเจ้าเดินอยู่รู้ตัวว่าขับไปเจ้านั่งเรียบร้อยไหมรู้ตัวว่าขับไเจ้าพูดงั้นกล่าวว่าเจ้าผิดต้องไหมกล่าวในการที่ควรกล่าวไหมยอยังนี้เป็นต้นกล่าวด้วยขาจาะความจริงนย จะออกมาบอกเราเองกลาววาจากาโดยการในเวลาถูกต้องกล่าวด้วยขัดจากความจริงกลาววาจาที่เป็นคุณและประโยชน์ต่ อ, อกันจะบอกเราเองได้มีกลา่าวหย่งนหจะกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยและอ่อนหวานอ่อนโยงมีประการที่ห้านั่นแหละจะกล่าวแทรความรู้สึกที่มีเมตตา อยู่เสมอมาถึงจะถูกต้องคนประเภทนี้มีธรรมะเนี่ยกล่าวตามตามตก ล, ล่าวตามเวลาในถึงเวลาก็จะไปกล่าวกล่าวแทงแนวแทงเข้าไปมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะเประการได้คนที่เขามีเหตุมิถมปฏิบัติธรรมะได้ก็จะกล่าววาจาตามการตามเวลาที่คุณจะกลา่าวชัดเจนมาก กล่าวแต่ขัดจ้าที่ความจึิงเสมอกล่าวแต่สึ่งที่มีประโยชน์ต่อกันเสมอพกล่าวที่มีคุณมีประโยชน์ต่อกันกล่าวด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนและอ่อนหวานเสมอถ้ากล่าวด้วยความรู้สึกที่มีเมตตาอยู่ในจิตกล่าววาจาด้วยเมตตาไม่มีอะไรมาเคลือบแคง แต่ประการใดอย่างนี้เรียกว่าผู้เขาที่ทรนะทำไดแต่ฟังเวียมาตาวาจากล่าวอันใดก็เป็นความจริงอันนั้นอย่าใหแต่งเติมเสริมส่งแต่ประการใดเดี๋ยวนี้มันแต่งกันเลือกหรือกเกินเออไม่นอนเออไม่มีก็เสียหายฟังไม่ได้ขับแผลขับกระเดียดอินคาตาเลมเทน้ำในค่องค้าเหมือมนเอามืดมาเติมหิน เทวน้ำไปมันก็เสียหายแทรกลงทีดินไปไม่มีอะไรเป็นอาจินและจินฐานแต่ตัวเองแต่ประการใดญาโยมปลอดภิกษุละาตัวเองเรามาปฏิบัติทำได้อะไรบ้างบางคนก็เพลินถามว่าไม่เห็นปัญญาเกิดมันจะเกิดได้อย่างไงเล่าสตรีไม่มีเลยมันจะเกิดได้อย่างไรลไเลเดดาลสมาธิก็ไม่เกิดขึ้น เนปัญญาของท่านจะสะสมได้อย่างไรล่ะก้าวตรง ท, ท, ที่เกาะเกที่มีเจ็บที่เจการปฏิบัติธรรมต้องกานจะใส่เกาะเกาะให้ลึกถึงหลักธรรมที่มันแจ้งใจให้แต่ตัวเราเงอย่างนี้เปนสมวนเราคนไม่เอาเหนือเอาใต้แล้วก็ปฏิบัติแค่วันเดียวสองวันมันไม่ได้อะไรเดินทจงกลมยังไม่ได้เลย บางท่านเดินหมอห้าครั้งถึงสิบห้านาทีสมาติเขาก็ดีขึ้นเดินหมอห้าครั้งถึงห้าสิบห้านาทีแล้วก็เลื่อนตาดูเท้าก้า ว, า ว, าวไปก้าวค่อยๆขวายาหนอเอาสมาธิปากไว้ที่จุดที่กําหนที่ปลายเทา้านั่นเแี่ยเป็นการสำรวมเป็นการร ะ, ล, ะ, ล, ะลึกสำรวมเนี่ย สังวรก็คือมีสัพพัญญายปะภะปัจจุบันเรียกว่าสังวรละวังคือได้ผลเกิดขึ้นจากตนด้วยความไม่จมารไม่พลาดนกครับตะโกงไปจนมาคือเจาะคือเกาะเอาึตรงนั้นเกาให้มีสติสติให้มีให้มีปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเอง เป็นตามสระผมเข้ามาทุกวันได้ยโยมมาสระสมแค่วันของวันมันจะได้อะไรเนี่ยะไม่ได้นะต้องทําจิดต่อนอกเนียงสับไปบ้านแล้วก็ต้องทําตามันใช่อยู่ทุกวันหูก็ใช้อยู่ทุกวันกรหมูก็ใช้ใหายใจทุกวิกนาทีไม่หั้นตา์ปาก็ใช้พูดอยู่เสมอร่างกายช้งขายก็ใช้มันตลอดวันนะครับ ขอขอเจริญพรญาติน้องว่าเราเลี้ยงโคถึกมาเลีคาไว้ใช้งามเลี้ยงช้างแลี้ยงสิงแต่เราเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยเลี้ยงร่างกายเล้ยงขาไว้ใช้อะไรบ้างการถือความหมายนี่ไม่ออกท่านบ้างมันจะต้องปฏิบัติทำใช้มันจะประโยชน์ต่อชีวิตถ้ามีอะไรยากแสนจะคิดให้ชีวิตต่อกางปฏิบัติธรรมถึงจะมีประโยชน์ ไม่เมานั่งจิ้มจืาจารยแล้วมานั่งคุยกันเดินฝึกผุดผุดเหมือนเดินสวนส น, น, น, น, นามเมื่อก่อนนี้ตมาสอนในนี้ออกมาเพ่งผ่านแล้เดินจงกรมไปห้องนะ้ําเดินจงกรมไปไปไปห้องอาหารแล้วไม่เคยพูดนนกันแม้จะทำอยู่นี่เราต้องเดียกราวไม้ฟางว่าปากไม่พูดคิดไม่คิดถึงจะเป็นคณาทิพวรรณา ตาก็ยังพูดกันอยู่ไอ้ติดจะทิ้งพุ่งคตาไม่สรมรวมไม่สมวันไม่ระวังรับรองมาเด็ดผมกลับไปบ้านแล้วก็มีตาก็ดูก็ต้องหดเห็ น, หนเนอกล่าวเลยดูทิ้งทิ้งผมกวดูแล้วเจตาก็เหยียดมันไปเลยคนที่ดูด้วยปัญญาเห็นไอ้เจตาก็าจะเกลียดก็จะวาดนี่ปฏิบัติธรรม หูใช่จะประโยชน์ทั้งสองหูอย่าใช่แต่หูเดียวเสียงนอเขาจะว่าจะด่าเขาจะว่าอย่างไรก็ข่านเขาประหะด่าเนี่ยมันไม่เจ็บมันแห น, นเหมืเจ็บเนื้อมันก็ไม่เหลียวิสายแต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ธรรมะไว้ที่หูเลยก็สรุปในความอะคารก็ไม่มีเสียงหูก็ไม่มีสิยง ตาจะมีซับได้ยัยงไงหูจะมีซับอย่างไงฟาก็ไม่มีทับเราพูดทะเละทรายในเดกาววาจาด้วยความถูกต้องของหลักกนะารแปรปรวนก็ออกมาอย่างมีคัดเจนมากแล้วฉันจะได้จุงไหนเวลาพิสอะไรพิสอะออกก็ไปงอ้องกายหน้ผแล้วออกไปเชื่อมนอกบ้านให้มันคิดออก อยู này, năm, ng, non, ổ, ổ, ่ตรงไหนต้องกําหนดตรงนั้นซิกําลังอยู่ที่ห้องนอนคิปไหนออกก็กําหนดกปคลิปหนอคลิปหนอที่ไหนลิ้นเตียหายใจยาวๆเดี๋ยคลิปออกแล้วเขียนในตงต่าว่าเตรียมให้พร้อมเชนในวันนี้เพื่อสัมภาระจะต้องทําวันพรุ่งนี้จะต้องเตรียมอะไรบ้างไอ้ชาตรีมันจะบอกทุกระยะแต่คนที่ลร้ศีลธรรมข่าวปฏิบัติธรรมมันจะไม่มีความคิดอย่างนี้ มันจะคิดออกไปายเลเพราธาถ้าคิดมันตามคุดมันชั่วมันจะคิดแต่ของชั่วเสมอเป็นของดีถ้าเขาไปอยู่ก็จิตตลอดเลยๆกามมันจะคิดแต่มีปัญญาทําให้เกิดเหตุผลทําให้แก่ปัญหาไปในตัวตนต่อบไปได้แต่แล้วเราก็ไม่ทําอย่างนั้นกันนะแต่บางคนกลไปพูดล้อเลียนไปวัดนอนๆแหน่มาเดี๋ยด่าไอแหน่อนๆมา ได้กันเน้อกันแนกกสู้ข่าสู้ฆ่ า, าบ้านสู้ฆ้ากลับบ้านด้าโคกกลับบ้านแล้วกลับไปบ้านก็ไปสู้ตินงไปฆ้าติงยังนิดนึงอาจจะมีเพ้าตืีปัญญาได้อย่งางไรขอเตือนพูดอธิบายคําด้วยกระเป็นท่านผู้ใดก็ตามมัวไปนั่งคุยกันมันเสียเวลาน่าที่ใดที่มันหมดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ เราเลี้ยงสังขานเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ไปประโยชน์หน่อยได้ไหมเลี้ยงัวเลี้ยงควายใช้งานมีประโยชน์ดีเลี้ยงทางเอาไว้เข็นคงมนขนอบโบราณอาตมาไปเดิดไปดูค่ะช้างมีอห้าเทียงเห็นค ง, งพักเรือหมดแล้วเป็นกองกองเห็นลงไปภายน้าเขาเรียนจะไปทําแพรล่องมาพระนครสงเทพช้างสําคัญมากใช้างานเด่ยมาก จะช้างเป็นขัดใหญ่จะเป็นช้างครูบ้านคู่เมืองเอาไปลบกระดาวิทย์วิเคราะห์เส้นพรมเดชทะเลยสวนมหาลาศเป็นตน้นช่างเขวชนดอนช้างปัดเจรญนาช่างเผือกช่างเผือกอยู่ในป่าแหความสงบถึงจะมีปัญญาคนที่อยู่ที่วุ่นวายทุ้งแค้มันจะไม่เป็นช่างเผือกมันจะเป็นช่างดำช่ า, างแดงช่้งเขียว เดีลวรถคนเที่ยวแต่ประการใดมันจะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลแต่ประการใดช้างเผือกก็อยู่ในป่าป่าตัวนี้แปลว่าป่าแห่งความสงบถึงจะเป็นช้างเผือกช้างเผือกตัวนี้แปลว่าผู้เลืองปัญญาเลี้ยงปัญญ า, าแล้วคนที่เลืองปัญญาแพ้จริงหานะายากมากโยมกลับไปแล้วก็ใช้ตาหน่อยนะ ตาดูหูฟางฟากนิ่งใจเนืบปรื่อมือทำแต่ความดีหนูความทั่วการพูให้มันดีสร้างตัวให้ดีถึงลูกถึงหลานให้ขยันมันเพียนคนที่คิดเกียรติเียไม่จะคนมีธรรมะเป็นคนโมหะจริทอยู่ในตนบุคคลได้จะคุกเกียรตตลอดท้าหลังยาตลอดการนอนในพะัะ งานการ่เอาไม่รับผิดคชอบเดือประ้านทั้งพวงใครมาข้าก็ไม่รับรู้ขอกู้อยู่ในที่นอนตลอดรายการไหนเลยจะถ้าจะเรืองปัญญาเหมือนช้างเผือกอย่ในกลางฝ่ายความสงบน้ำตื้นตื้นลังสุดขังตกอะไรยุ่งกับความสงบไม่มีแนถ้ายังวุ่นวายยังมิงคาตาเล่มเมทนะำมันมีแต่ความยุ่งใจตลอดอากาศ หาความสุขสนุกในครอบครัวไม่ได้เลยมีแต่ความหาญนะมีแต่อบายมุกหาความสนุกในสังคมชอบปิงสิงนวลชอบปิ๊งสิหนิย้อนไงเลยเล่าตัวเองเนี่ยจะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาในครอบครัวไม่สบายใจก็ไปกินเหล้าไม่สบายใจก็แส่งตัวไปเที่ยวเที่ยวให้มันขบายการ น, นั่งยาทุกนัททุกร้อนนอนทุก หาความสุขไม่ได้ยิ่งเที่ยวมากก็มีทุกข์มากเสียเงินเสียทองไปใช่เหตุแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ออกนอกบ้านม่อยู่ในบ้านแต่ประการใดมี่คนไร้ธรรมะไร้เหตุผลเป็นคนหมดค่าราคาคนเป็นคนที่ไร้ปัญญาไม่มีปัญญาที่จะคิดไม่มีข้อติที่จะทํางานไม่มีผลงานคุ้มครวตประการใด ออกมาอย่างนี้ชัดเจนชัดแจ้งคนที่ดีมีปัญญาเนะี่ยเขาเห็นอะไรเกิดถากเขาเก็ดอยู่ที่บ้านมีงงของคนเดินเข้ามาในหืูหบ้านตัมานั่งอยู่หน้าเตีลาที่แปดสิบเก้าปีจำได้เพราะว่ามาชอบผู้สาบ้านนี้เราก็นังมองถามว่าใครอ่ะเปิดประตูให้ใครเข้าบ้านเขาบอกว่าเขยอนาคต เ้ามามีไม้ขวางทางอของมันมันเหยียบไม้ทามมาเลยนี่อย่างนี้ไอ้ ค, คนไม่เกิเขยมันมาด้วยมันอยู่หลังมันเกิดเรียกร้อยเออน่าจะไอ้คนหลังนี่เป็นเขยตามีแววตามีปัญญาหูก็มีปัญญาทำอะไรก็รู้หมดแล้วการทําอย่างนี้นนขันต์เขาในหลักโบราณที่พูดกันมากพูดคัดเซนนะ ร้อยรู้ไม่สู้การทำไม่ได้ร้อยความรู้ยังสู้การทำไม่ได้การทำดีกว่าร้อยรู้ร้อยรู้ยังสู้การทำไม่ได้มีความหมายเยอะบางคนไม่ทำรู้กับพึติร้อยวางรู้ทั้งร้อยอยางแต่ไม่เคยทำเลยมันจะสำเร็จไหมนี่แหละทุกเจกก้สอนคัดเจนมาก ร้อยรู้ก็จะังสู้ตามทมไม่ได้มีการปฏิบัติทำเนี่ยจะมีรู้ธรรมะแค่ไหนสื่เลื่อนสมุมดก็สู้ปฏิบัติไม่ได้สู้การทำให้มีธรรมะทำให้จิตใจมีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตคนราจํงรวยไม่เน่ากันมีคุณมาใช้าการที่พูดกันก่อนแล้วถ้าคุณไม่เติมใช้ทุนไม่แปลงมันจนขาดทุน ทังขาล่างกายก็ใช้ไม่เต็นควรจะใช้มาทำงานสูก็ากากมากราดไม้การเอาสังขานไปเที่ยวสังขานไปโตลุงสังขานไปดูคอมเกิร์มันจะประเกริดที่ไหนเล่าคนหนึ่งเขาทำกระพือเขาไม่ร้อยรู้อย่างให้คนเที่ยวแต่เขาทำทำอะไรในวันนี้ปกูกเม้ปลูกมะม่วงไปปลูกทุเรียนไปกองหลายสิบต้น นี่วลาการทำก็ได้ทุเรียนได้ม่าม่วงแต่ถ้าไอล้ลอยรู้เอาหูไปแพรไปแพร่แหม่นอกบ้านนอกเมืองในราคาเกยมแคพงถึงจะซื้มาถามอาจจะแผงลิ้นกายเทศเป็นเศษสีได้ถ้ากลายเป็นลอยรู้แต่สู้การทำไม่ได้ขอฝากผู้ปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่มาขึ้นกินจามจามแล้วก็ได้ธรรมะไปสวรรค์นิทานเนี้ แต่สมบัตมนุษย์เราก็อย่ารักษาทรัพย์ให้ด่ไหนเราจะมีชื่อเสียงในสังคมเขาบ้างก็ไม่ด่คนไม่ไวจาดนี่นะความกล่าวว่าจาสัจจังเวียมะตาวาจาสำคัญมากถ้าไม่มีชื่อเสียงคนไม่ไวจัดไม่มีทรัพย์มันไม่สะดวกสบายไม่มีความรักไปไหนไม่มีคนก็รับไม่เคยไปรักใครไม่เคยแม่ตากับใครไม่เคยช่วยใครเลย ใครไหนใครก็จะรักใครก็จะเมตตากับเราเพราะเราขาดเมตตานั่นเองว่าไม่เคยแทนเมตตาไม่ใช่ว่าสัพเพชาอย่างนี้นะอย่างนี้ันวิชาการต้องใช้จิทของตัวเองเป็นเมตตาต่อกันสายํำคันคือมนุษย์อย่ารำพันมีเมตตาต่อกันอย่างนี้มีอะไรผูสทะเลกันถึงจะเรียกว่าการห้ทานการให้ทานการกุศ ในห่วงให้ชิ น, นห่วงกันใช้มีอะไรก็แบ่งกันชินแบ่งกันใช้อย่าทานอะไรบอกเดี๋ยวหาเลี้ยงอย่างมุขสันต์คนเราใจแคบใจแคบใจคับใจคับออกจิดติดคับใจมีแต่ความหายนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนหกร้อนจใจในบางร่างาโบราณทำว่าร้อนแบบร้อนแบบที่แผ่ที่เขา ยังต้องหลบเข้าซ่อนต้าามไปกรองศึกษาหาครูบาอาจารย์ศึกษาอยู่ร้ อ, อนรักหนักปูรามันจะเข้าอะไรหรือร้อนอกออกออกกุจจ์มันจะใช้ได้ประการใดหรือร้อนรักรักเนีาา่ยะรักมากมันก็ร้อนมากมันก็ทุกข์มากพอเรารักก็ด้วยเมตตามีแจะความเย็นใจเอาไหนมีคนต้องรักมีคนจปโอภาปาใส อุตสาหพิมพ์โอโห่อ้อมอาลีวัตถุกะเพราของเพื่อทุกคนบางคนให้เป็นกลางไปไหนก็มีคนแต่เมตตาต้อรับขับตู้ดูพงงามจิตใจก็ไม่ซามสว่างก็ไม่ขาดทุจัดออกมาประเพจนี้รู้ได้แลยผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินก็รู้แหละไม่สัมรวมเลยไม่เดมี้ักาตีตะการกับเขานม่จะเต้าตนี่จะข้ามก็ข้ามไปคนที่มีสัมรวมนั้น เขาก็เดินเรียบร้อยศีลอาจะรวัตรก็เรียบร้อยมาระยากน้ำก็พูด ก, ก็มีเหตุมีผลพูดในสิ่งที่ความจึิงนำไปเป็นคุณประโยชน์ต่อกันพูดก็เพาะไมอยากทายจับประการใดพูดใหสิ่งที่เอืออ้ออารีต่อคันมีน้าใจเมตตาปรารถนาดีในการพูดของเขา นี่แหละถงจะเป็นมนุษย์ ส, สัมพันธ์ในพลิกของเขามีขนาดผู้ปฏิบัติธรรมนะดูได้กองนั้นแต่พ้นว่าปฏิบัติธรรมได้อนาไม่เชื่อถ้าทำได้กองใดล็อกนี้กองใดออกมาอย่างนี้สวยหน้าละสวยหน้า ม, มูทนางามหน้างามเมื่ดงามจิตงามใจรร ง, าม ง, รรมงามทั้งจิตง า, ามาทั้งใจไวฉลาดสามารถทจะทํางานให้สาเร็จ ตามกฎมุ่งหมายและ ว, วัตถุประสงค์ขอ้องค์จึงเรียกว่าร้อยรู้สู้สู้ทําไม่ได้แต่ร้อยรู้ ร, รู้ก็ต า, ามเถอะแต่ไม่ทํามันจะระยำอับรี่ยมันจะสร้างความเดียวเขาไม่ได้มันจะไม่ได้อะไรตดต่อไปเลยขอปากนะปฏิบัติไปมีตาก็กําหนดหูก็ฟังให้เกิดอัญญาสร้างสมิไว้เสียงหนอนมี ม, มั้ย บอกคนบางคนบอกหลวงพ่อลกลับไปบ้านไม่ว่างไม่ว่างคือทําอะไรก็ทํางานนั่นเองงานนั่นเนี่ยกาหนดจุดโดยมีสติในการทํางานจะหยุดอะไรก็หยุดหนออยากหยุดหนอหยุดมาทําไมหยุดไมาใช่ ป, ประโยชน์หยุดมาทึ่งของนี้มันเสียของนี้มันเหม็นก็หยุดกวาดให้มันสะอาดไม่โปรกโปรกทําอาหารในเลื่องครัว การตัวให้ดีเลือนสามน้ำสี่ชาติพอดีในแม่บ้านกาเรเลือนเชื้อหศาส ม, มันจะประกาศตนไปในตัวของมันเองไฟมันก็ร้อนในตัวน้ามันก็เย็นในในเนื้อของมันธรรมะนี่มันก็เย็นนอกเย็นหนายเย็นเหนือเย็นใต้ข้าข้าด้ดย จ, จัรเหมือนน้ำข้างหลังล่าจากุ่มพาลัยยังไม่เท่ายเย็นล่าเอาน้าประคุณ ผลหลังมาจากนุภาตาก็ยังไม่เย็นล้างทราน้ําประคุณอีกเช่นเดียวกันคุณที่มีประโยชน์ต่อกันเนี่ยเป็นขาชั้นทางของชีวิตทําให้คนติดต่อกันได้ทําให้คนเนตมตตาตามด้วยการให้เราให้เขาเขาต้องให้เราเราไม่ให้ใครเลยไม่ช่วยใครเลยใครก็จะช่วยเราใครจะให้เราก็คงไม่มีนะก็คงไม่ได้อีกแล้ว การขาที่โจอุบาสกปฏิการทั้งหลายโจรเอาไปปฏิบัติโดยต่อเ น, นี่องกลับไปบ้านแ ล, ล้วก็เดินจงกรมนั่งอย่าไปขิ้เกียดกลับไปแล้วก็โอ้ยเราได้แล้วทางมะทำโมไม่ได้อ่ะลู่ร้อยรู้่เลยแต่ไม่สู้คานทํามันร้อยรู้ร้อยเลื่องเปลี่ยน เ, เวลาไม่เกประโยชน์ผลกับประการใดคนรู้มากมันไม่มีความจริงในทุดเลยมันลู่มากใครหายาห้างหรือหายา รู้สูนจมหาย่าไอรู้มากขังง่ายออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากขอก่าบท่านทั้งหลายว่าในวันนี้โดยทุท น, นักการถ้าปฏิบัติด่อนเมืองยืนรอให้มันได้หน่อยเถอะลาไปบ้านทิ้งเลยเสียดายสข้งขานร่างกายเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดียเด๋ยวก็ตายใช้ไม่ประโยชน์ต่อชีวิตหน่อยได้มั้ยเรื่องัวควายเลี่ยงทางไว้ใช้งานเรื่องแั้งขานไว้ไมาได้ใช้อะไรเลยเอาแั้งขานถอดไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ เวลาพรุ่งใจก็ออกไปกินสุรากิเนเบียร์เวลาไม่สบายใจก็ออกไปช็อปปิ้งเสียเงินเสีอทองแล้วท่านจะแก้ดายรือกินเหล้าเมาหะเข้าก็คลุกสนานตายกันในพักหลีอยงเพื่อนในพักกอสรางเมาถึงจะคิดถึงตัวนะเสียเวลาไปเที่ยวเสียเวลาในการทํางาน แถมโรคใัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเพราะดื่มสุลายาเมาเรื่องการทำงานเป็นต้นธรรมะจะบอกไว้ในจิตใจครับว่ไหนปฏิบัติได้ลึกซึรืองได้ะจะไม่เริ่มการทำงานจะไม่มีอบายมุขจะไม่หาความสนุกที่เลวร้ายนในต้องโกนต่อไปจะไม่เรื่น อ, อบายมุขมีอจะฟ้านสุขสนุกตลอดเวลาคนที่มีธรรมะเขาจะรู้ว่าอบายยมุขแปลวอบายหึงความสิ้นหาย อบบาัยแล้วป่าทางความเสื่อโมโทรมันไม่มีความเจริญจัดจการใดท่านจะรู้สวงท่านอเองลองไปเรืงการพนันดูนะเล่นหมดเนื้อประดาตัวเล่นไปไฟไม่บ้านเนี่ยที่มันยังอยู่ยังปูบ้านได้ไอเรื่นการพนันเนี่ยที่มันก็หมดบ้านก็หมดที่ก็หมดด้วยยิ่งอันหนักก่อไปไม่บ้าน มันจะออกมาอย่างคัดเจนนะมันหมดเนื้อกระดาวหมดทั้งสิ่งให้ปรารถนามันก็ไม่เปิดประโยชน์ผลที่ผลแต่ประารใดออกมาอย่างคัดเกินก็ขอบินข่าวเพียอปฏิบัติธรรมท่านจะอัตโนมัติเองจะรู้ว่าปัญญาของท่านมีจริงหรือไม่ก็ลองทดสอบดูเอาเองนะถ้าปัญญามีจริงแล้วถ้ามีสติท่านจะไม่เล่นตามทํางานท่านจะไม่มีอาบายมุกท่านจะไม่หาความสนุกในสังคมอีกต่อไป จะรักลูกรักครอบครัวรักผัวรักเมียรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องนี่ถึงจะเป็นคนมีอำนาจแต่คนไล้ธรรมะมันจะไม่รักผัวรักเมียจะไม่รักลูกจะไม่ผูกพันมันจะเกลียดพี่เกลียดน้องอย่างทุบบาทพระประธานกันมันจะเกิดขึ้นโดยหายยะนาเรียกว่าอาบายมุกปาชาแห่งความเสื่อมโทรมปาทางความผิดหายเอาดีไม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ขอมโนทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายดูทุมาก่อนศึกษาไปปฏิบัติตามอย่าเลือนเลี้ยงสังขารเอาไว้ทำอะไระท่รงทงองว่าเลี้ยงไยเที่ยวเลี้ยงไว้ใช้เงินไม่เดีเลี้ยงในหาเงินเลยไม่เดี๋ยสร้างประโยชน์ให้กับตนและครอบครัวไม่สร้างพอความส่วนเลี้ยงในสังคมเอาหลักการไหนเลยท่านจะได้อาลัยขอฝากท่านไปเชิดตือความหมายหบับผู้ปฏิบัติธรรมนะ ร้อยรูระวังนะรู้มองรู้เห็นร้อยรู้คู่การทําไม่ได้อะไรได้ก็คู่การทำการปฏิบัติงานทํางานให้มากิูกและได้ดีที่โชดงานยิ่งมากขึ้นทำมาฐานมากขึ้นงานก็มากขึ้นทํางานไม่ได้จากเหนื่อยจากยากไม่รู้จากลำบากแตประการใดไม่ได้ความขบขันหมดเลกสุขละขับเควื่อนไปลุกตั people, type, you, ้มากัน แต่เมืองไทยคำว่าที่เสียดน้ำมันกิโลเาถลายซื้อเอาไปทาอะไรได้บ้างจะทําอะไรไม่ได้เลยทั้งหมดมีใครอยากได้ตัวที่เสียดนี้ข็ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่ความขยันขหลอดรายการจะไม่มีหยุดพักงานดำเนินการได้ถ้าเป็นพระภิกษุก็ไม่ขาดจิตวัดทําจิตวัดขยันให้มากขึ้นงานมากขึ้นงานเหลือเหนือยก็ต้อง ท, ทําเสร็จ ไม่มีมอกงานไม่มีการที่จะแก้ปัญหาแก้ตัวเองได้ต่อไปเราเพื่อจะพระองค์เดียวทางานทั้งโลกทํางานทั้งโลกเคพื่อเหลือคนทั้งโลกเลยไม่ใช่ประเทศเดียวแต่มหาพระเปโรมภิตกขะราตุผ่านเจ้าพระเจ้อยู่หลือคือมีพลมหลาราชเณ์องทรงเหรือยากภวรกายมากกว่าเรามากถึงห้าสิบปันศาเลยทำํำไมเราจะสร้างความดีถาวายท่านนางไม่ได้เลย ะทา่งทรงก็ชวนโลกอาไทถ่านยังไปดูกระชาชนน้ำท่วมตรงนั่นน้ำท่วมตรงนี้เอาของไปจากตรงนั้นเอาของไปจากตรงนี้มิสุดท้าอยู่หัวมีแลวัดเราชุ่มด้วยเศียรธรรมจักรถวายทุกวันที่เก้าเราจะไม่รับนิมนเลยเศีมาทุดเก้ามันเคยขาดใ้โบสนะเนี่ธรรมมารำแล้วก็เราพยายามก็ไม่ขาดโบสถ์ถวายเป็นธารเจ้าคุณพรถวายพระพรไทยมงคล เดี๋ยววันที่ยีพระเกิดจะถวายมือพระจะอยู่หั ว, ว, วร้อยกับตัวรัฐ ม, มนตรีเชื่อใจการก็จะมารับทางอธิบดีผู้จัดการจําหวัดทางอธิบดีกรมปฎิบัติตมาพร้อมกันที่หน้าวัดหน้าโรงเรียนวัดธรรมทวันอย่าได้ปล่อยโคถูกมาลิกข่าวถวายเป็นกาปปรบุญสอนข้าพุทธพัญธาเพื่อองค์ชาล้อกับตัว อัจรทั้งหลายว่าก็ามานมทนาการจอยงัวให้ถวายในหลวงอการให้พระองค์ท่านมีประเศมนามากรามากอยมากไม่นอ้อยลอยพันษาเพื่อเป็นมือขวันของชาวไทยแต่ปากรักษาพีงองชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดการประวัตาาิาสตน์เช่นลูกหลานต่อไปเทิดขอถวายพระพร อ, อย่างนัน้นทั้งหลายเอ๋ยเรายิ่งทำก็ยิ่งได้ เราทําเราก็ได้ของเราเราไม่ทํำเราก็ไม่ได่าอะไรผ่านไปท่องหน่อยดูบ้างผ่านจะทุกข์นะเราเป็นมนุษย์ตุกัดมีความทุกข์สูงด้วยกันทั้งนั้นแต่ใครจะทุกข์แบบไหนก็ไม่ว่ากันขอโนโมทนากาุุการแต่ท่านทั้งหลายเราดีใจและเตือนถึงจะถวายคุณชครพัฒนาไปจะอยูอ่เหัวเรือที่้าวเดียววันที่เก้ามิถุนาจะเลี้ยงพนะระเลี้ยงเพลเลี้ยงทอง เรียงถวายกายวุจาหมดเลี้ยงคนเลี้ยงจามทั้งหมดมาถวายเป็นได้คุษอวาะาุิทายของพยูเศษเสว ย, ยถวายเจ้าพรเสวยธรรมจักรถวายพระาองค์ามาที่อื่นทาไปนั่งรึเปล่าเราไม่ทราบเราเอาแต่วัดเราก็พอแล้วขอประกาศอนโมทนาให้าหราบโดยที่นักกรรมเวลาจะทุนรวมเงื่อไปถวายทุนชายพัฒนาเพือเจ้าองค์ท่านเราจะไปพัฒนากระเทศชาติต่อไปต้นในสูงด้วย ได้กำไรออกมาก็ได้ช่วยเหลือประชาชนเยี่ยมช่วยเหลือผสมผกรว่ากไรช่วยการศึกษาอุระบุตรธิดาให้มีการศึกษาดีขึ้นช่วยกุระบุตรธิดาเดชชายแดนไม่ด้การศึกษาข้างลัาากษณจัดไทยพยามรับศรีมาโลงได้กระทำมาด้วยความเหนื่อยยากเรายังทําไม่เท่าทำเลยก็เพื่อช่วยการปฏิบัติทําให้มาถึงุด ถวายเป็ราชบุตรนพระองค์มีประชาชนมาถามไม่น้อยลอยัรษาต่อไปในห8สิบปาสาแล้วเราขอให้เราช่วยการทุกท่านทุกฤกทุกนามโดยทุนากรนเพื่อเป็นพระมหาเมตตเป็นชีวิตถวายอุทิศไปแม่พระองค์ท่านตลอะทางลุญมเทลุ่มยานสุดยากเอจากเราชาวไทยไปแล้วแม่้าหลวงของเราทั้งหลายเราขอนมสาสาธุการในส่วนนี้โดยทุนากรม ขอความสุขสวัสดีตรงมีกับท่านอย่างายทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าเทรามเิระตลอดกระทั่งอุบาสกบริการและก็ผู้ปฏิบัติธรรมจงเกล้เรื่งเรือนวัฒนาสถาพรองงอกนามไพบูณ์ในพระพุทธศาสนาขององค์ท่เดั้งมานิยเดชและจนกริงกระทดือยอายุวันน้าสุธาพาราปัติทานศาสนาามสมัติไม่เคยสินเงียบการไดสมความมุ่งมัปนัณหาดุจการทุสุขาม ได้โ อ, อกาสบักนี้เทอนนองคุดถา บ, บริจัตรองก่ายวาันคิดและวเพลหาดทุกขข้นในวันนี้ต้งมีวันทรในสงฆ์วันพระอุโบสถเป็นวันทุระกำหนดโครงการอุโบสถกำหนดโค ร, ระการแม่กับปฏิบัติกรรมอบทต ในกายการ 3, สามวจชูการสื่มโนการสามครบกมหนดกรรมฐ า, านเป็นยอดสูงสึในบวรกุรศาสตร์สงาเน่ถ้าเมื่อวัธทรมาสมณะนี้นเนี่ ย, นน เ, ยเป็นวังที่ลวนกันเพื่อสแสวงหาพระให้พบพระทางจิตใจทั้งท่านใจท่านจับประเสด ใจท่านจะงามใจท่านจะดีใจท่านจะได้มีปัญญา จ, จะได้รอบลู้กองการทั้งขาน จ, จะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้ จ, จะได้ใช้ตัวิ้นเราจะได้เหวี่ยตัวตางเราจะได้คลายทิศถี่เราจะได้ยังบิดข้อเราจะได้ประกอบคู่สงได้ผลอันนานเป็นหลักฐานทั้งขาง ในวังธรรมมาเสียน้านี้ขึ้นแปดขั้นยันหกจาลบอีกหนึ่งกัปดาห์ไปะจะถึงยันดิสาขาบูชาแล้วแอนขาที่โคนทั้งหลังทุกข้างใครทํารมสัมาปฏิบัติหวัหาครับอย่างคระภิกษุขัมาเนืองขานวดมานานสุถิณีแต่ก็ไม่ทราว่วาพระองค์กุณเจ้าองค์ใดพบพระหรืออย่าง และอันนี้ไม่ใช่าผาเหลียงนุ่ ง, งเหลียงห่มเหลียงหมายถึงว่าจิตใจกระเสดแรวิญญาณถ้า พ, พระมาใดใจกระเสดมื่อนั้นจิตใจก็ลําเลิะกระเรสดทุกประการจิตใจก็เย็นเยืเเอกแต่ว่าสุนตมาทิอัญยาเป็นพระใจก็ลดละเลิกลบ รมุดได้ถึงจะพบพระเรามาื่วงกันพระลาสุขธรรมภาวนาในวันนี้นะ่ยวันจันทร์กิดมุ่ ง, ง ห, หมายทั้งเรามาแสวงหาพระจะจาสายจะจาใจแสวงหาพระให้จิตใจเราประเสริฐมีพระอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในจิตใจทั้งผ่ะน่าจับเราเสริฐที่กุด ต่วท่านก็จะล้าเล่ทำอะไรก็กระเดงออกขึ้นปัญญาแต่จะลอกรู้เหตุผลที่ดีงามของทรามไม่ใส่ตอนสิทระแต่กูใด ย, ยังแสวงหาพระไม่พบแต่พบแต่ความเมะละศกรกและใจก็เศราหมองตลอดันไม่มีพระประจําสุขประจันใจการเจริญพระกรรมฐานตั้งการคุทพระ อ, องการเอาพระมาจนประจํากายประ จ, จําสุขประจําใจองการให้มีความสุขจะเริ่มลุ่งเรืองในชีวิตขึ้งทาพระมีแล้วว่าใจปรเสิดพระแปละว่าใจยือกเย็นพระแปลว่าไม่บาปมีแต่บุญมีแต่คุณประโยชน์ไม่มีโทษต่อบปะเห็นใจหลวงพระ แต่เราเข้าใจถูดที่ว่าคือพระในวัดอัมพวันมาหาพราะวัดอัมพวันกงหน่อยแล้ท่านจะได้อะไรจากพระวัดอัมพวันมาถ้ า, าท่านไม่ปฏิบัติธรรมถ้าจะไม่พบพระองคแท้จริงจะพบพระปลอมเงืองหเหลืองหอมเหลืองโกนหนวดตัดเล็บของนั้นี้ก็หาไม่ใด้เป็นพระของเรา พระองเราจะอยู่กับร้าสืดตัวไปสืด ต, ตัวมาท่านและแท่านน้องกรรมฐานเจริญกุศลภาวนาท่านจะพบพระอยู่ในตัวท่านถึงจะถูกเกาะไม่จาต้อง ก, กล่าวไปหาพระใน ท, านนาาทน่านในเหให้หาพระืเสียงดังว่าแต่พระประจําบ้านไม่มีเลยพระประจำใจก็หมดไปพอพระแม่พระอยู่ในบ้านก่อย ไม่เอาใจใจคือพ่อพระแม่พระคือพ่อแม่ของพระเลืมก้อนผลผลกลางเลืมอนทั้งสุกลืมอทั้งใจเลืมอนทั้งขาดสติขาดปัญญาท่านจะไปพบพระวัดไหนดูแห่งหลายเอ๋ยเอาพระวัดไหนทึงจะดูยากแต่มาขอตีความหมายในนั่งกรรมฐานในวันนี้ พระของหลักดูทุกจุดประจําใจก็จําเหงืประจํามผ่อนประจใาให้เรามีปัญญาทำอะไรก็เยือกเย็นทำอะไรก็เห็นตัวปลาน้ําใสดูเมตตาไหลเมฆขาดสายก็าวานขาดทุกอย่งางไรคือเมตาตาจากมือแต่เมตามมตามีพระประจําใจมือแต่เมตตาปราณีซึ้นกาลกรรม มือแต่ความปราถนาดีมือแต่ความสงสารซึ่งกันและกันมือแต่แสดงความยืนดีต่อกันผู้สร้างความดีนะมือแต่ความวางเฉยงมนเลื่องี่เลสในอภิธรรมอย่าไปเอาี่เลสมาใส่ใจอุเบกขาภาวนาถึงจะถูกต้องใส่ใครคำดีคำเชื่อเฉยไม่ใช่อุเบกขาอย่างนั้นไม่ถูกต้องอุเบกขาคือหมายความว่า Okay. ไม่ลบกับถ้าสุกข้าศึกก็พิจิตรเราไม่ต้ลบลาข้าวฟันจะทายนะเราไม่ต้องการจะหาเรื่องไม่จะเปลี่ยนเวลาอีกต่อไปวันนี้จะชี้แจงให้ท่านเข้าใจเดี๋ยวครับในเรื่องจเจริญกรรมฐ า, านได้ออะไรจะเจริญกรรมฐ า, านจะพบพระที่ไหนและกรรมฐานนี่จะแค่กรรมได้ไ้มกรรมฐานนี่จะ ใครหาเวรหากรรมอีกต่อไหมหมดเวรหมดกรรมแน่ชาตเจริญกรรมฐานด้วทิ้งความหมดเวรหมดกรรมที่ทําไว้กุศลาธรรมอาุคลาธรรมะทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วทําดีเป็นอุษสงทํำไม่ดีเป็นอกุศลละกัเราก็ไม่ต่อเวรต่อกรรมอีกต่อไปแล้วเราพบพระแพ้แล้วพระแพ้พระคืนทุกคงอยู่ในใจ อาไม่หนอยู่ทุกซึมอยู่ในใจท่านจะไปพบพระปรอมแต่เจอพะมากมายนาธิดารพระแพะ้พระจึงทุกซึมอยู่ในใจถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปวัดไปบวชชีพราพระเพื่อจะหลังองค์และชอบพูดกันดูงันไม่ชอบฟังคนชอบพูดมันก็ชอบฟังมันไม่ชอบทำกิจกรรมก็ไม่ยืน จะกร้าความอดีตรงไหนแล้วเรามาคุยกันมาสัมมนาอย่างนั้นนี้อาจจบทึกทาจะบไปท่านจะไม่พบของจริงอาจจะพบของกลอมยอมใจกลับไปท่านจะมีแต่เสนีห์จังไรยอยู่ต่อไปสายคอท่านจะเจ้าหมองไม่ท่องใสข้างมูอพระประ จ, จําใจประจําครอบครัวทั้งพระหรัวพระเมียแล้วบ้านนั้นบานแสนสก ดางสนุกให้จับลอกเรียนหนังสือมือวิชาอย่างนั้นถึงจะมือพระประจําถึงจประจําฐานประจําบ้านประจํะาครอบครัวประจําตัวขอ ง, ของเราจะเป็นประโยชน์มื้อให้เนาะอันจะไาช่วย ห, วหาภักอันใดขอสุดตามฟังสึดไปนบัตมีขอจเรจเริญพรเจริญุกโดยทั่วหน้ากรนนับัตมี ท่านสาธิตคนที่รับสงลายที่ท่านวขวนขวายมาที่วัดนี้เลียงถามว่าต้องการอะไรบ้างว่าถูกประสงค์ที่ท่านเมีอะไรกรรมาถามแล้วคนนะตอบไม่ถูกเลยต้องการมาไปสวรรค์ต้องการจะนั่งกรรมฐ า, านให้ไปนิพพานมันจะเอื้อมมันจะเคลื่อนถึง่ง แต่ชีวิตของเราเนี่ยเกากลับกลายไปวนะ่าเอ็นดูดคีพรามและเข้ามาอบรมการวิทยากรเยอะมากมายายกันเป็นวันนี่นั่งฟังจนตาพลุยเอาฟังแนละ้ววิทยากรก็ไปนั่งหลับที่เด็กก็วิ่งอึแล้วก็นั่งฟังอาจารย์จะนหลับจนอ่อนอกอ่อ น, ออนใจท่านจ ะ, นะ ไ, ได้อะไรไหมได้แล้วไหมแล้วก็กลายเป็นคนรู้มาก คนรู้มากหลวมีเยะมาที่วัดมีเยะวัดเออ ก, ก, ก็มากรู้มากแต่เสียดายเสียใจไม่รู้จึงรู้ไม่จึงขอเจริญพรท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายทั้งหลายเองควรู้จึงคือคนอย่างไรก็มาพูดมานานแล้วนี่คนไหว่มาโยอก็ต้องพูดซ้ำซ้ำๆไปต่อจะเลื่อนไปถึงมัธยมคงมาได้ คนรู้มากมีเยอะพูดตรงไหนรู้หมดยาง้องยานีาน้รู้หมดแต่ตัวเองไม่มีแม้แต่ยามเบี้ยเรียกว่าไรเรียกว่ารู้มากไม่ใครรู้จึงรู้จึงคืออย่างไรตอให้พี่น้องฟังรู้จึงต้องทำรู้จาต้องท่อรู้แจ้งถึงจุดเห็นพุทธเป็นพระ ถึงจะรู้แจ้งรู้จึงเห็นสิ่ง็นธรมนนธรมะในสติสัมปชัญญะกคุณสุขอยู่ตลอดเวลาถึงจะรู้จุ้งย้นยงอบพูดขอบพยานกันแล้วก็ขอบฟับคบงคาปรือใชคือจะอยากรู้ไอ้นั่นคืก็อยากจะรู้ไอู้่มันรู้มากแต่เสียใจลดเกรนรู้ไั่จึงทุกข์งุกแก้ไขตัวเองไม่ได้ กลับจุงตัวเองไม่ได้นะแล้วแทนจะไปรู้อันใดเป็นสิ่งที่เป็นของชุ่มจะเจริญพรญาติที่นองพังอาขามาชุ่มจุนการการสองวักลับโยมรู้ไหมคุณถ้าละคร อ, ออกแผ่ยังไม่ทันเล่นกักลับบ้านเลยเหรอยก็ยังไม่รู้ว่าละครมาเล่นเรื่องอะไรไปตัวไหนพระเอกไปเจอเจอพระนางเอกมนะ้บราค่าพันกระตุงไหนจะลาลงมาเล่าก็ยังไม่ทราบ เพียงแต่มารู้ว่าออกหขกว่าเลเรื่องสังข์ทองแล้วก็กลับยอานโยมจะได้อะไรว่ามาเล่นไปถึงตอนไหนคือนุชคือละครละครคือชีวิตท่านยาแม่เข่งไปว่าความรู้น่ะรู้ไห่ถึงหอกคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนองอยากจะรู้ไอ้นั่นอยากจะรู้ไอ้นี่รู้แล้วก็ไม่ทำเป็นสุขจะตามที่ไม่สุขก็ รู้แล้วให้ํารู้ต้องคําคําถึงจะเห็นจริงมาเจริญกรรมฐานาต้องการความจริใจอ้อการจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจริงนะเป็นชายจริงไม้เป็นหญิงทองไหมคะก็อย่างไรชาเราพูดคุยเข้าข้างตัวเราเองอ๋อฉันเป็นหญิงเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนรู้ว่า อ, อ่าฝ่ายฝ่ายท่านชายเราไปจู้ ท, ที่ดูนะมือพูดอย่างนู้นมือไทยมั่งไหมที่พูดว่าเราเป็นคนเชื่อไม่มือเลยมาที่วัดนี่มากมายแายกองเป็นคนดูหมดเหมือนละครชีวิตโยมละครออกมานั่งหน้าพ่ะสมุดนานแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีแต่ประกอาชีพกายงานอยู่ในอัลลันยาลาป่า กระไรใจสมุดน้ําแทงชื่อธรามะกระไรข้อคล้องราดสมบัติมางานมากมาแล้วนี่ละคนไม่มืตัวไหนเลยเ่อออกมาสมุดนามแทนชื่อราคาเป็นคนเชื่อแต่มาพูดมานานแล้วดูตอนเล่นเล่นไปเล่นมาใครจะเชื่อมันก็โผล่ออกมาใครจะมือมันก็โผล่ออกมานี่ตรงนี้เนี่ยท่านมาเรื่องละครการเชื่อสิวั เพราความตื้อลึกหนาบางเน่ะเป็นกดแห่งตามอยู่ในตัวท่านม า, นเาออกเพราะงัดูแ่ชาตมาท่านส่างเวรตามตามสนองท่านมามีอะไรบ้างท่านจะไม่ชาบเลยมาแต่ฟังแต่ออวัน ด, ดีไปดูไม่มีใครมาพูดแต่วัดโนนดีมากเขาพูดยามอธิบายยามกันแม้เราไปดูยามที่6กมาเดินกลมถึงข้างที่6กอย่างนี้มีมาก แต่มันก็รู้มากไปอย่างนั้นแต่ข้ารู้จริงที่จะแก้ไขกรรมยาตราจเลนจะตามมาฐานจเลนจะเป็นปัญหาคือของพระพุทธเจ้าทางสายเอื้นี้ไม่มีใครสอนแตาเพืองแต่รู้ว่าลูกเก้เจบอกเรื่องอะไรเท่านั้นหรือดูเขาเล่นมันคือไอ้คนอื่นเล่นยังไงเราก็ดูรู้ว่าดีหรือเที่ยวแต่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเราเล่นละครชีวิตดูือเที่ย เราก็ไม่รู้ตัวเลยนะล้วจะพูดเข้าข้างตัวเองเสมอลูกเราไปตีกราเขาเราก็ต้องเข้าข้างลูกแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติกฎธรรมดาลูกเราไปเสียหายก็ยังเข้าข้างลูกแล้วว่าเป็นผู้เป็นผนู้บื้อนี่แหละมันรู้ไม่จริงอย่างนี้เข้าข้างตัวเองก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นมักง่ายมาัดเา มักอาถหายไปการเจริญส ก, กรรมาฐานต้องการเจริญมักอาจจะย่อใจความให้ฟังก็จะเข้าใจมักอาจได้แต่ถึงทางมาที่ปัญญาที่เรานั่งเจริญภาวนาและก็าหาเหตุที่มาของการทุทกข์เราจะพบอนิจังสุขังอนัตตก็ผ่านอริยสัจสี่ครบจบแล้ว เรวก็หาเหยือกองทุกได้ถ้าเราจะเอาขายทุกโดยสุดอันนั้นกองแกให้มันถูกสุดจึงจะมุกจะได้มาถูกมุกดแต่ว่ามันมีอุปสรรคต่อไปเกาที่มันถูกคำไอ้ที่ไม่คันเอาไปเกามันจะหายคันนะหรือขอรัทานโทขอกล่าวคํานี้ให้การการจงเปรียบเทียบให้กระจัดถ้าท่านมาดูละครเขาเล่นการดีไม่ดี แต่ตัวเราต้องมาทราบเลยว่าเราเริ่มรีมั้ยว่าความคิดเราเป็นอย่างไรร่ำมานานจนถ้าคะเลแต่ชายาไปตามกันแล้วเริ่มเลี่ยงอะไรมีทั้งรักมีทั้งแค้นไม่ใช่เรื่องพูดเล่นแมนในส่วงแล้วไปเลื่องหึงเลื่องหวงหนักเหมืองในหัวใจเริ่มกันไปเลิ่มกันมาก็เลื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องแค้นกจเรื่องอิจขาริษยากันเป็นการเรื่องละครชีวิต แต่เราก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตแก้ไขปัญหาเราได้เราเล่นละครเข้าข้างเตยเอิญมือทั้งคือเกลียดมือทั้งคือโกงมือทั้งคือขามือทั้ ง, งลกุกสียดทึกการกะะัำถ้าเราพลิดะแล้วจะขยำมันเพียนเรียนหนังสือจะขยำมันเพียนปะกออาชีการงานคือพลิดเพลินทำจออํนะะะจไให้คือเกดน้นแต่กลมา จะขยันมันเพียงตลอดรายการโอเองก็จัดขี้เนาะแล้วก็จะไปลุ้ลกนการข้างความดีขึ้นมาแล้วท่านจะไม่เบือดเบียนครับถึงเงินทองไม่ขี้งโกงขี้เนาะพอประการใดเพราะมีพระประจําสุดประจําใจแล้วมันเกิดแสงสวางท่านม า, าแหวงหาความซึมของชีตท่านมาเนี่ยกองการอะไรอยู ต้องตารหาความจริงต้องตามอดนทนเพื่ออบินฝิกให้มีสติปัญญาเพื่อต้องการจะแก้ตัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในอน า, นาคตต่อไปตรงนี้จะถูกมากคือฉันจะมาเที่ยนกันจะมาคือจะใ้เสียงเออดเสียงดังเท้าความหลังกะทำไม่ได้ที่ น, อน้องที่รักไจไหนอย่าเอาปากไปเอาตาหูจําหมูไตกอน ก็ต we ิปัญญากอนอย่าไปไหนปากอย่าไวเลยกจอย่เบาเรื่องเก่าอย่ามาเลื้อยเรื่องเรื่ออืนอย่าชักติดที่ชอบทําไรไม่ทำละตุดที่ชอบควรจะทาเป็นปัจจุบันามันพุทธเจ้าให้ทาปัจจุบันอัดีอย่ามาเลื้อยเรื้องอื่นอย่าชักติดทชอบทําไมไม่ทา อาณาคตก็ไม่แน่นอนอยาจับมัน่นทั้งให้มันตายจะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตชีวิตจะเป็นหมันทรัพยากรของท่านจะเป็นหมันทำมาฮักจึงจะไม่ขึ้นผิดหวังและจะเสียใจตลอดชีวิตจทัง้งตายถ้า ม, มีใครช่ยวยท่านแต่ประการใดเลยองค์นี้เป็นหมายอันนั้นและจะน้นการจเจริญกุสอง ช่วงภาวนาต้องทำให้มันพุทธใหมันเกิดเองทุกจิตใจทั้งทางไม่ใช่เอาพระมาเทิดแลแ้วไปฟังวิทยากรแล้วก็เป็นคนดีต็มไปไม่ได้แนะ่เพราะขาดหลักธรรมขาดจิธีกรรมของชีวิตแล้วไหนเออแล้ท่านจะเปลี่ยนพฤติกรรมของขันธ์พุทิกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้ภาวะก็ไม่เปลี่ยนนิสัย ก, ก็ไม่เปลี่ยน ติดใจก็คนเดิมก็น่กกาเกลียาพระพุทธนี่ตรงนี้เป็นศึกของทันของการปฏิบัติธรรมาาไม่ใช่หมายความว่ามานั่งไปสวรรคนิพพานมาขวาจันรฐานฉันกบไปสวังท์ชั้นนึงชันนี้ตามใบาลานที่เถอะรับมาแต่งกันเยอะเลยนะแต่ก็เลยเลิศเลยทำบุญ น, นีดเดียวนะไปสวังก็ตสองศึกทนันผวาสิบเดียวเท่านั้นน่ะไปสวรรไม่สมึก ไม่มือความทุ่เอยแล้วหด๋ยวก็ุกใจลามกจดก็ะโปไปทำบุทบาปแต่ไขปัญหาไม่ได้ไหนทาทางนี้เดียวไกลสวัสดิ์ลมันจะบวกลบคูณหารมันจะติดบาปหรือติดบุญติดคุณหรือติดทอดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะมือความสัมพันตรงนี้โอมมือเนี่ยดังหงเนี่ยเขามาอบรมที่มือการซึกการวางยาฆ่วิทยากรเยมากบีนจงกลมก็ไดานะ ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งใจหน้าของตุ่มนะเลยก็ได้ของกลองเป็นลิปัสชนุกันเม็ดเงินก็ไม่ไหลนองนึกทองไม่ไหลามาเป็นลิปัสชนุกเม็ดเงาไม่ได้ยังสมเม็ดเพราะไม่มีความจริงเลยเพราะทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เลยจะได้อะไรได้ขอฝากท่านชายท่านหญิงทุกท่านไว้ด้วยพอท่งอรงเป็นประการได การปฏิบัติธรรมนี้ต่ อ, อไปใช้ตลอดชีวิตต่อหาความสงบที่จะมาพูดไว้วก่อนแล้วเข้าวัดให้มันครบสามวัดไม่ใช่ามาวัดอภาวานมานน่งเงียบชีวอยู่แค่ลานี้แล้วก็เป็นคนดีนะโดยไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยเป็นคนดีได้ยอย่า ง, งานั้เอาพระมาเทศสักร้อยองค์เราก็ยังดีไม่ได้เทศแล้วก็ฟังเราแต่อย่างนั้นเองแต่ไม่ปฏิบัติตาทรรมที่เทศ ถ้าไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรกลับสุดนั้นไม่ได้แล้วชีวิตนี้คืออะไรท่านก็ไม่ทราบเลยนะถ้าท่านจะเอาอะไรอีกแล้วคงไม่ได้อะไรกลับไปท่านจะฝดหวังจากวันอภวัรไปไปที่น า, ดดน า, ดดานที่ได้นาที่ใดมากร้างแหงบวชทีครามต่อมาไปฉันเกดการเอง น, นี้ไปอยอมมาพูดแต่ช้ากอขายหน่อยพูดขมบายหน่อยพูด อร่อยหวานมันเค็มไม่เหมือนกันแล้วกลับหลักให้ได้เลยหลักศาสนาก็หมดต้องดึงหลักสิงธรรมาที่ปัญญาเป็นหลักปฏิบัติคือมากแตบบ่ทุกข์คือมันเกิดเครื่องต้องดึงอริยสัจสทั้งข้อปฏิบัติทุกขสมุทยมัยในโลกนี้มันเกิดทุกข์จุงไหนก็แปรจุดนั้นเหตุมันเกิดจุงไหนต้องแก้ที่เหตุอย่าไปแก้ปลายเหตุไม่ได้เราครอาใต้ปลายเหตุกัน เหมือนท่านทั้งหลายปลูกต้นม้สตอเ น, น้นใม้เทอร์ลดน้ำี่ลากเอาน้ำไปลดี่ยอดให้มันออกดอกรวยวมันจะได้มีผมออกมาให้เราคุณเราช้างงนเน่มันผิดนะควรจะลดน้ำี่ลากก่อนให้หลากมันดูดเข้าไาเลื้ยงยอดเ่ีงใบถึงจะถูกต้องโดยกลับใจร้อนไปลดน้ำี่ยอเอาน้ำไปลดที่ยอต้นไ แล้วมันจะออกดอกออกใบให้ใหญรือถึกตดทิรมุตถึกเมตจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยครอบฟังบางคนเข้ามาที่นี่เขาถามที่รักนี่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติพื้นฐานอ๋อไม่เอาเลยฉันจะมาต่อยานถามไปถามมากําหนดทองยุทธหรือที่กำหนดไม่ได้เลยทองยังไม่ทําหมอยอะเลยพอเยอะยังไม่ทา หนอพองออกมานี่ยเลยพองยุกพองยุกแลดายแล้วฮะทำไม่ได้แล้วจะไปต่อยามนาทุดายมากต่อให้ดาอะไรจะผิดหยงไปที่นาทุดายปุมก็ไม่มีถือก็ไม่มีขอปะชานยะไม่มีท่านจะมือสงด้อย่างไรสีะลาเจรวัตรขอ้อหนึ่งเนี่ยที่เราสอกันมาคือปฏิบัติกรรมฐานมีปฏิภาษฐานคือยึดสลักทางใเอือดยวก่อน รถสี่ ล, ล้ออย่าไปเอาเหลือแต่สองล้อเหลือล้อเดียวรถก็วิ่งไปไม่ได้นะต้องมือจะเป็นประทานสื่อตายาในปรัช น, นาข้อนาจะยืนนาจะเดินจะนั่งสะมอนนาเลี้ยวซ้ายแหลกขวาจะขู้เหยียดเหยียดขา ม, มือสถุมือสูงก็ไปํากลับจุดให้มืสอสัตย์ปัญญาในการเยี่ยนเท้เาก้าวไป งานอารีบาต่างๆจะเลื้ยคขาหรือจะแลขวาจะขูดเหยียดหรือเหยียดขาตั้งประศึงไหวทุกอาลีบทเมื่อสื่อถกึก็สูงอยู่กับจัมภาย์สือจัดเปพระสอมประชันยะแปลว่ารู้ตัวว่าเดิมสวยไหมหอมประชันยะมันจะบอกให้เราเรู้ว่าเราเสีอมารายาในสังคมแล้วก็องมันก็ลึกไว้เสมอว่าเตรียมพร้อม แต่สามัญญาเนี vision, ーー่ยตัวเหมาะสมว่าเราเอานี้ไปวางตรงนีかか้เราหน้าตรงนี้เหมาะสมนะเราจะรู้ตัวของเราเองนะนี่ถึงจะถูกต้องในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่านั่งเห็นขปจจะเห็นโง่เห็นนือเดี๋ยวก็จะมาพูดว่ามองหน้าวัฏวันมาเกิดบันไม่เคยเห็นอะไรเลยให้ต้องการเห็นอะไรหรอกต้องการจะเห็นคือหลวงของตัวเอง ว่าตัวเองมือกีเลสเท่าไรเอาออกพนักมั้นะไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเนี่ยมือลส อ, อย่างไรเอารู้คนอื่นดูคนนั้นไม่ดูคนนี้พูดไม่ดูคนนั้นทําไม่ดูคนนี้ทําไม่ดูแต่ตัวเป็นอย่างไรการจเจริญกรรมฐานต้องการจะรู้ตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาจึงต้องกําหนดเราเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาต้องดูตัวเรารู้หนอ คือรนตื <has S 3> rabbit, mm ่นนรู้หนอเรามีอะไรบ้างมีอะไรขาดข้องใท้ช่งยเหลือในชีวิตเราบ้างต้องดูตรงนี้นะไม่ใช่ไปดูคนอื่นเราอยูตมาทั้งเหตุการมาหลายสิบปีแล้วยังไม่มีใครจะแก้ปัญหาชีวิตเลยมืแต่ไปช่างแ่ปัญหาการความวุ่นวายให้แกลูกการความวุ่นวูนให้สามีภรรยา สร้างความหายันตให้สบายดามางพาอแม่ก็มาดูสร้างควา ม, ม 4, ายมุ่งปุกบพันไว้ปัญหากระพริบทำให้ลูกทะเลาะกันต้อง